เอ่อสัมมปณีก็ขอท่านทั้ง ผมได้นำท่านตามคำสั่งคำสอน จงแปลเป็นภาษาไทยว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมี ย่อมพิจารณาดังนี้ว่าอย่างนี้รูปคือสิ่งที่สามารถจะสุขโสมได้อย่างนี้ความเกิด อย่างนี้ความดับไปของเวทนาอย่าง an อยอยอยอย 5 นี่ด้วย เอ่ออย่างอย่างนี้วิญญาณคือความรู้สึกอย่างนี้คือความเกิดขึ้นของวิญญาณความเกิดขึ้นของสังขาร ย่อมพิจารณาเห็นธรรม ย่อมพิจารณาธรรมดาความทั้งความเกิดขึ้นเนื่องความเสื่อมไป ย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลก หามาสอนกันเองมาสอนกันเองแล้วมีพูดกันตามในนั้นว่าประกาศตนเป็น <c oughs> ที่ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกมาให้ท่านฟังก่อนตอนนี้ก็มาว่าถึงสร้างความเข้า <c oughs> เป็นวิปัสสนาญาณล้วนไม่ใช่สมถภาวนาบวรคือตั้งแต่อานาปานะบัพเป็นต้นมาถึงนิพพานท่าน ขันธ์อุปาทานแปลว่าการเข้าไปรูปขันธ์รูป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 มีความเปลี่ยนแปลงไปในธรรมกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดท่านบอกว่าให้รู้จัก มีพ่อมีแม่จึงมีลูกเมื่อลูกเกิดขึ้นมามันก็มี เรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นมันเป็นเครื่องประกอบตัวสําคัญก็คือรูปแก้รูปตกก็แก้ ความดีเป็นของชั่วดีเป็นของชั่วอย่างที่พระพุทธเจ้า 6 หมดแท้จริงอย่า ชอบเอาชีวิตของเมื่อคนอื่นมาเลี้ยงๆฆ่าสัตว์มาเลี้ยงตัวเองตัวเองชีวิตเดียวแต่สัตว์กี่ร้อย คนจะมีสติๆก็ใดแก่ได้แก่การลักกั่นขโมยทําลายทรัพย์ เราชอบทําแต่เขามาทํากับเราบ้างเราชอบมั้ยเราไม่ชอบการโกหกมุเท็จเราชอบโกหกใครจะบ้านเขาฟังแต่เจ้าบ้านเขาจะโกหกกับบ้างเราชอบมั้ยเราไม่ชอบการไร้สติสัมปชัญญะมีสภาพเหมือนคนบ้าๆไม่ใช่ ทำทุกอย่างขาดความละอายทั้งหมดนี่เป็นอัน นี่ก็นี่เป็นปัจจัยให้เราเกิดนี่อุปาทานอุปาทานคือการยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกาย แม้ใจก็ยังรู้สึกว่าเรายังไม่แก่ที่แก่ๆเข้าร่างกายมันไปไม่ เพราะร่างกายเรามีความเกิดขึ้นในเบื้อง <c oughs> ตลอดไปตลอดกาลตลอดสมัยไม่เคยคิดว่าพ่อแม่ของเรา <c oughs> นี่อกุศลกรรมเมื่ออารมณ์จิตมันเลวอย่างนี้ นี่ที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าให้รู้อาการเกิดหนาวร้อนหิวก็หายปวดอุจจาระปัสสาวะ <c oughs> อย่างนี้มันเป็นเวทนาคือมันอาศัยรูปเป็นสําคัญถ้าไม่ สังขารนี้แบ่งเป็นเป็น 3 อย่างๆเนี่ยคือสังขารคือความคิดในอารมณ์ของ เนนชาวิสังขารมีสังขารเพื่อองค์ความคิดนี่เราต้องการอยู่ 2 อย่างคือ <c oughs> 1 ไม่ 5 สําหรับพระ ประการที่ 2 เราจะมีพรมีฐาน 4 ครบถ้วนประการที่ 3 เราจะ แล้วก็ไม่ยึดไม่ถือกันห่าว่ามันเป็นเราเป็นของ <c oughs> ที่มีความรู้สึกสัมผัสของแข็งกระทบเรารู้ของแข็งกระทบหนักหรือเบาก็รู้ของอ่อน วิญญาณตัวนี้มันติดอยู่กับร่างกายติดอยู่ <c oughs> สำหรับในอุปาทานขันธ์ให้ฝึกตัวนี้ให้ฝึกตัวๆก่อนอย่าๆละเตพิงว่าในสกายทิฐิมีความ มันตายแน่เราจําได้ว่าตาย 3 ทางคือ 1 ไปนรกสู่ทุกขติ 2 สู่สุคติ สามนิพพานเราจะไปทางไหนเป็นณเมื่ออันดับแรกเราก็ถือกฎสําคัญไว้ก่อนว่าอย่างเลวที่สุดเป็นเทวดาให้ได้จากมนุษย์แล้วเราไม่ควรจะกลับมาเกิดเป็นคนใหม่ก็ <c oughs> ฝ่ายเบียดฝ่ายเมสรไคฝ่ายเบียดเบสค์ผ่านกายเมสติย โอ้สมเด็จพระสงฆ์ทันตบรมศาสดาสอนให้เราเป็นคนมีศีลเราจะทรงศีลให้บริสุทธิ์เพื่อป้องกัน แล้วก็เราจะมีพรหมวิหาร 4 เมื่อกรรมอันใดเข้ามาถึงเราเกินที่จะ รวมความสั่นๆว่าเราคิดถึงความตายไว้เป็นปกติว่าเราต้องตายแน่แต่การตายคราวนี้เราไม่ยอม แล้วก็ยอมรับนับถือโดยใช้ปัญญาพิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าความ แต่อารมณ์จิตของบรรดา ถ้าสว่างรมนี้ได้แล้วจงพอในความดีพิจารณาขันธ์ 5 นี้นั่นแหละว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันธ์ 5 ขันธ์ 5 แล้วก็มันจะต้องสลายตัว 5 เต็มไป 5 เต็มไปด้วยความ 5 เสียหมดใน 4 และกำลังใจของเรานี้มีความรู้สึกอยู่เสมอ ก็บวกกับมีความรู้สึกว่า ความโกรธชนะได้ 4 และอาศัย 5 ไม่ทรงตัวเป็นสําคัญและตัด อารมณ์จิตส่งตัวแบบนี้องค์ ที่จะต้องกลับมาลำบากในความเป็นมนุษย์อีก เราไม่หลงไหลฝ่ายฝันในรูปฌานและรูปฌานว่า ว่าเราดีกว่าเขาเราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาเราเสมอเขาจะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารเหมือนกันมีการ 32 เหมือนกันตายเหมือน ตัดความถือตัวถือต้นระหว่างและระหว่างคน บางทีจะมีอารมณ์ขี้เกียจขึ้นมานิดนึงว่าเราพักแค่นี้ก็พอตายจากความเป็นคนแล้ว แล้วน้อยที่สุดก็ตัดเป็นวิชาคือ เออหมายความว่าเราตัดความพอใจในรูปฌานและอรูปฌาน เห็นว่าเป็นดินแดนที่ยังเจือด้วยความทุกข์หาความสุขไม่ได้อารมณ์เรา ขอความใจของบรรดาท่านทั้งหลายทําได้อย่างนี้ทั้งหมดองค์สมเด็จพระบรมสุข ให้คําพิจารณาและภาวนาตามอัธยาศัยใน